คือคือระหว่างสองเดือนที่มีกลับไปทำการบ้านบ้าง น, นะคะแล้วก็จริงจริงจริงรู้วไม่ควรสงสัยค่ะเพราะว่าจริงๆต้องอยู่กับปัจจุบนันแต่ว่า พอดีบางครั้งจะมีคำถามที่ทเข้าสงสัยอของตาคือคือถ้าสมมติว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งค่ะในช่วงที่เขาไม่ได้พยายามรักษาสติเนี่ยมันจะมีช่วงที่ใจเนี่ยไม่เข้าไปเป็นสังขารได้เองโดยที่เราไม่ต้องรักษาสติไหมคะ หรือว่าเราจะต้องรักษาสติตลอดเท่านั้นนะคะหมอตาคือมันมันพูดรวมๆแบบนี้มันไปมันออกพูดออกไม่ไปรวมๆเนี่ยเดี๋ยวก็คนก็บอกว่าอย่างนง้นไม่ต้องฝึกสติคือมันต้องฝึกสตินี่แหละฝึกสติฝึกฝึกเพียนฝึกสติไม่สติขาดแล้วก็แต่มันจะมีบางบางขนาเนี่ยมันกลายเป็นสติเนี่ยเป็นสติปรุงแต่ง ที่เราฝึกอย่างต่อเนื่องก็จริงเนี่ยแท้จริงมันยังไม่ได้เป็นสติจริงๆมันเป็นสติปรุงแต่งไปรู้สติปรุงแต่งเอาขันห้าไปรู้ยังไม่เป็นสติที่เป็นรู้ตามธรรมชาติสติประกอบกับธาตุรู้ตามธรรมชาติแต่สติปรุงแต่งเอาขันห้าไปปรุงแต่งเป็นรู้เพ่งจ้องคิดนึกตึกตองไข้ควรประมวลผลไอ้่อนนั้นเน่ะ เราเข้าใจว่ามันเป็นสติเราฝึกให้มีความรู้สึกตัวต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่ความรู้สึกตัวที่เอาไปดูไปรู้ทุกกิริยาการทุกคิดที่เกิดขึ้นปในใจไม่ตั้งภายนอกและภายในเวลามันกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเตติธรรมอารมเรารู้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใ จ, ใ จ, ใจละใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาทุกคิดทุกอาการแต่เป็นสติที่เราไปตั้งตั้งรู้ไว้ สติที่ไปตั้งรู้ไว้ให้ต่อเนื่องอันนั้นเน่ยมันยังไม่ใช่เป็นสติมันเป็นตัวปรุงแตง่งตัวหลงปรุงแตง่งหรือเขาเรียกว่าสติปลอมส ต, ติตัวปลอมมันหลงเอาหลงไปปรุงแตง่งรู้มันยังไม่เป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติแต่ด้วยการที่เรามีสติปรุงแต่งเป็นตัวปลอมมาเพียนม า, างั้นเน่ยเราก็เลยไม่ไม่หลงปรุงแต่งฟุง้งซ่านไปในเรื่องอื่นและไม่หลงปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปใน They เรื่องอื่น แต่ถ้าเราสังเกตดีๆเราไม่ได้ปรุงแต่งลงปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปในเรื่องโลกโลกที่ว่าโยมเมื่อกี้ที่ก็บอกว่าอารมณ์หยาบๆที่ปรุงแต่งไปฟุ้งซ่านไปเรื่องอารมณ์หยาบๆมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆแทบไม่มีปรากฏส่วนใหญ่มีแต่ความคิดอารมณ์ที่ละเอียดละเอียดอยู่ภายในกลายเป็นหมกมุ่นเรื่องการปฏิบัติธรรมซะอีกเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีสติที่จะรู้อยู่นั่นแหละต่อเนื่องดีปฏิบัติดี แต่บางทีเราก็บอกว่าเราก็ไม่มีสติที่จะมาตั้งรู้ไว้แต่ความจริงเนี่ยไอ้ตัวนั้นนะคือมันไม่ได้มีสติมาตั้งรู้คือมันไม่ได้ปรุงแตง่งแต่ไอ้ที่เราเนี่ยมาเป็นสติตั้งรู้ตลอดเวลาเนี่ยคือมันปรุงแต่งมาเราขันห้ามาปรุงแตง่งมันหลงอยู่มันหลงอยู่แต่เราเข้าใจว่าเราเนี่ยมีสติแต่ไอ้ตัวสติปอมมันก็ช่วยเราเหมือนกันมันช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ไปฟุ้งซ่านในทางโลก มันมันช่วยทําให้เราเนี่ยมาแค่หมกมุ่นอยู่ภายในมีความคิดมีอารมณ์ที่ละเอียดแต่พอคั้นเราเนี่ยเผลอเผอไม่ไปยามไม่ไปตั้งรู้ขณะจิตใจที่เราเผลอไม่ไปตั้งรู้เข้าเช่นเราก้มจะซักผ้าเราจะไปก้มไปหยิบของหรือว่าเราทําอะไรโดยที่เราไม่ได้ตั้งตั้งใจที่จะตั้งใจรู้จิตแล้วเราก็ไม่ได้มีความ ตั้งใจที่จะคิดปรุงแต่งเรื่องอะไรตัวนั้นนะ่ะไม่มีไม่มีความตั้งใจที่จะคิดเรื่องอะไรแล้วก็ไม่มีความตั้งใจหรือมเจตนาหรือจงใจหรือพยายามที่จะดูรู้เห็นจิตเหมือนเดิมแต่ความจริงงานนั้นเราจะรู้สึกว่าเราขาดสติเราไม่ได้ตั้งใจดูเหมือนเหมือนเหมือนก่อนก่อนนะั้นแต่อันนั้นนะ่ะมันกลายเป็นสติธรรมชาติขึ้นมาอัตโนมัติด้วยอํานาจที่เราฝึกมาเรื่อยๆนี่นแหละวิสติปลอมเนี่ยพอเรวาวางสติตัวปลอมไปเนี่ยแหละ มันอยู่ๆเนี่ยไอ้สติจริงอ่ะมันเกิดขึ้นมาคือสติและผู้รู้จริงๆอ่ะที่เป็นธรรมชาติแต่แต้มันขึ้นมาคือมันคิดขึ้นมาเองและความรู้มันก็รู้จิตที่มีความคิดมีอาการภายในใจเนี่ยขึ้นมาเองโดยที่ทั้งไม่ได้ตั้งใจคิดไม่ได้ตั้งใจปรุงแต่งแล้วก็ไอ้รู้เนี่ยก็ไม่ตั้งใจที่จะไปรู้มันมีการคิดขึ้นมาเองมีอาการขึ้นมาเองในใจแล้วก็ได้แต่รู้ว่ามันมีความคิดมีอาการ อจรู้เนี่ยมันกับไม่มีไม่มีความตั้งใจไม่มีเจตนาไม่จงใจไม่มีตัวตนของผู้รู้เลยมีแต่อาการไหวไหๆๆวๆหวโดยธรรมชาติมีความคิดมีอาการไหวไวหวขึ้นมาเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วก็ดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองโดยไม่ได้มีผู้ไปตั้งใจคิดตั้งใจปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีผู้มาตั้งใจรู้มันก็รู้กันไปเองรู้สิ่งที่จิตที่มันคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองไอ้รู้มันก็ รู้จิตที่คิดปูงแตกกันมาเองเลยกลายเป็นธรรมชาติแท้ๆไอ้ที่จิตมันเนี่ยมันปุงข wie, ึ้นมาเองก็จะเป็นขันห้าแท้ๆขันห้าแท้ๆที่ปุงขึ้นมาเองโดยไม่มีกิเลสโดยไม่มีใครไปยึดไงเพราะว่าจะมีกิเลสได้ต้องมีคนยึดแต่มันเลยกลายเป็นขันห้าที่ปุงขึ้นมาภายในใจขึ้นมาเองมีอาการจุกจิกจุกจิกจมีอาการแน่นแมีอาการเบาๆมีอาการสบายๆมีอาการอย่างนู้นมีอาการอย่างนี้มีการทึบๆตื้อๆมีอาการมีอาการของมันขึ้นมาเองมีความคิดมีอาการขึ้นมาขึ้นมาเองคือมีมี ของมันก็นมาเองแต่เป็นอาการจิกกุ ๆ, ๆเ อ, องโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจจะมีเวทนาไม่ได้ตั้งใจที่จะมีความคิดแล้วก็รู้มันก็รู้ขึ้นมาเองอันนั้นเป็นขันห้าที่มันปรุงขึ้นมาเองคือแสดงกิริยาขึ้นมาเองไม่มีกิเลสเพราะไม่มีคนยึดส่วนรู้เนี่ยมันก็รู้ขันห้าขึ้นมาเองก็เลยเป็นธรรมชาติท ße, ทารู้แท้ ๆ, ๆที่เป็นธาตุรู้แท้ๆมันก็เลยรู้ขันหน้าขึ้นมาเองแท้ๆจึงลบจึงพบหน้าตาของไอ้รู้แท้ๆเนี่ย มันเป็นรู้ที่ปัสจากการปรุงแต่งใดๆทั้งหมดตัวตัวมันไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีอาการใดๆเลยแต่อาการทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเองดับเองในท่ามกลางความรู้ที่ไม่มีตัวตนอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของที่หมอถามว่าเอ๊ะทำไมมันธรรมชาติรู้เนี่ยหรือว่ามันทําไมเกิดรู้ขึ้นมาเองโดยที่ตั้งใจฝึกสติมาตั้งนานทําไมมันไอ้ธรรมชาติรู้มันไม่เกิด แล้วทำไมมาเกิดตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะมีสติแล้วมันเกิดได้ยังไงแล้วถ้าดีเราไม่ได้ตั้งใจมีสติแต่แท้จริงที่หมอเข้าใจว่ามันมีสตินะคือแท้จริงมันเป็นสติตัวปลอมคือเราเอาขันห้ามาปรุงแต่งรู้เพ่งจ้องวิเคราะห์วิจารณวิจัยประมวลผลกติดจดจ่อในการดูรู้เห็นอันนี้เป็นตัวเอาตัวขันห้ามาปรุงแต่งเป็นรู้ไม่ใช่เป็นธรรมชาติรู้คือเราต้องปรุงคิด วิเคราะห์วิจารวิจยัยประเมินผลใครควรหาเหตุผลแล้วก็ปรุงแต่งรู้ด้วยปรุงแต่งรู้ทั้งปรุงแต่งคิดแนละปรุงแต่งรู้แต่นั้นนะ่ะเราคือปรุงแต่งมาตลอดเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราปรุงแต่งเราก็นึกว่าเราเนี่ยตั้งใจฝึกมากเลยมีสติไอ้สุดพอเราวางวางสติที่ปรุงแต่งลงไปอ่ะไอ้สติที่เป็นธรรมชาติแท้ๆที่เป็นรู้แท้ๆเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นมาเลยแล้วก็ไอ้ขันห้าที่มันปรุงขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจคิดมันก็ปรุงขึ้นมาเอง อยู่ๆมันก็เราก้มจะหยิบของหรือหยิบหรืออยู่ๆอยู่ๆเราจะทําอะไรหรืออยู่จะล้มตัวลงนอนหรืออยู่ๆจะจะจะนั่งส้มหรืออยู่ๆจะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะตอนนั้นอะแล้วอยู่มันก็เกิดขึ้นมาเองเลยอ้าวมันคิดขึ้นมาเองไอ้รู้มันก็รู้ขึ้นมาเองเลยเหมือนกับพระอานนท์อะตอนที่จะงไรู้นิพพานอะท่านก็อีตอนเดินจงกรมไม่เป็นเดินจงกรมอยู่สามเดือน ทำความเพียรตอนเนื่องไม่ขาดสายไม่ไม่บรรุตอนท่านาเหนื่อยมากเลยเอนตัวนอนดีกว่าเอนตัวนอนยังไม่ถึงหมอนเลยถ้าถ้าถึงถ้าถึงหมอนหลับไปก็ไม่ไ ม, ม่ประโยชน์แต่ไอตอนที่ยังยังมีสติตื่นรู้อยู่ก็คิดว่าตัวนั้นมีสติตลอดแต่ตอนนั้นเราตาก็ใจว่าพระอนุนตอนนั้นสติน่าจะเป็นสติปรุงแตง่งพอท่านจะเอนตัวลงนอนถ้าหัวถึงหมอนมันก็หลับไปตอนนี้สติมันก็จะขาด แต่หัวไม่ทันถึงหมอนะ่ะเอนปุ๊บก็บรลรลุอรหันต์เลยคือมันกลายเป็นว่าไอที่ตั้งใจเพียรมาถึงสามเดือนเต็มเตมนี่ย ม, มันกลายเป็นปรงแต่งพอปล่อยวางความปรงแต่งเนะี่ยธรรมชาติ แ, ตแท้ๆเกิดขึ้นเลยคือขันห้าที่เป็นทํางานแท้ๆของมันโดยไม่มีใครไปคิดปรงแต่งอะไรรู้ก็รู้แท้ๆเกิด ข, ขึ้นมาเป็นเป็นใจที่เป็นธรรมชาติแท้เลยพบใจที่เป็นรู้แท้ แต่เนื่องจากว่าท่นทานความาความเพียรมายาวนานอย่าต่อเนื่องไม่ขา้สาย พ, พบไปพบพบใจแท้ๆปุ๊บมันก็ขาดไปเลยขาดจากความปรุงแต่งไปเป็นไปเป็นใจที่เป็นที่รู้เลยที่ท่านกล่าวว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นถึงธรรมผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพานิพานคือใจที่เป็นธรรมชาติรู้แท้ๆที่ปราศจากความปรุงแต่งแต่เนื่องจากท่านมีความเพียรต่อเนื่องมานานมาตั้งแต่พอพอขาดแล้วขาดขาดไปเลยบรรลุอรหันต์เลยทีเดียว ก็เลยเป็นเหตุผลว่าที่เราทำสติตัวปลอมเนี่ยเราก็เลยต้องวางทุกขณะปัจจุบันใช่ไะเพราะมันเป็นของที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดทีนี้หลวงตาคะมันมีวิธีเช็คไหมคะว่อาอ้าวรู้แล้วจะถามอะไรอ่ะ เ, เดี๋ยวเดี๋ยวขาผ่านก่อนนะคะค่นะนมัสการค่ะ เมื่อกี้ที่บอกว่าสติที่ยังเป็นตัวปลอมอยู่แล้วเออเราต้องทําให้เป็นสติตัวจริงก่อนที่ไม่ได้ทําไม่ได้ทไได อ, อทําเป็นสติตัวจริงไม่ได้เพราะว่าทําไปทําปุ๊บเป็นสติตัวปลอมอืมค่ะแล้วถ้าเกิดเราจะถึงขั้นที่หลวงตาว่าพิจารณาปลงปล่อยวางอย่างเงี้ยเราต้องรอให้เหมือนกับมันอัตโนมัติก่อนที่มันเกิดสติ ได้จริงแล้วค่อยพิจารณาหรือว่าทําควบคู่กันไปเรื่อยๆได้พิจารณาได้เลยพิจารณาความตายหน้าผื่นอุฟางอย่างที่โยมพี่นาพิจารณาได้ตลอดเลยพิจารณาตลอดตเรื่องเลยพิจารณาตอนเรื่องเดี๋ยวพอเรามันปล่ไปวางได้หมดเนี่ยมันจะมันจะเป็นปัจจต่างจะรู้ได้ในตัวองเราเองจะรู้ได้ใยใจของเราเองเลยมันจะเป็นปัจจตังไม่ต้องถามใครเลยพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาปลงป่อยวางให้ต่อเนื่อไปขาดสายพิจารณาได้เลย ที่เคยฟังหลวงตาเทศที่บอกว่ารู้ตอนแรกที่เรามีสติก็เหมือนกับว่าเราเอาจิตไปไว้กับพุโทโธหรือลมหายใจก่อนอันนี้เป็นเป็นรู้ที่ว่าเรายังต้องอาศัยเออเครื่องอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เอหลวงตาบอกว่าต่อไปจะเป็นรู้ที่ไม่ต้องผ่านอายตนะได้เลยเนี่ยค่ะหมายหมาหมายถึงยังไงคะรู้ที่แบบรู้ออกมาจากใจ ถ้ารู้มาจากใจไม่ต้องผ่านอายตะนะรู้ออกมาจากใจไม่ต้องผ่านอายตะนะถ้ารู้ผ่านอายชนะเป็นเป็นวิญญาณขันเป็นวิญญาณขันจะรู้ตามอายตะนะแต่ถ้ารู้ออกมาจากใจไม่ต้องผ่านอายชะนะอันนี้ก็คือผู้ที่ที่บอกว่ารู้เป็นเป็นตัวผู้รู้ออกมาอย่างนี้ใช่มคะเนี่ยเป็นเป็นรู้แท้เแท้แทเป็นรู้แท้แทที่เป็นธรรมชาติแท้แท้รู้แท้แที่เป็นธรรมชาติแท้ มันรู้ออกมาจากใจเลยโดยไม่ต้องผ่านอายตนะมีวิธีเช็คสติที่เป็นปกติไหมคะวิธีเช็คก็คือถ้ายังหาอยู่ก็เท่ากับไม่ปกติหยุดห า, ดานั่นแหละจึงปกติเรงเขียนว่ายังไงข้างล่างนะดู๋ินีไหนใหม่อ่านสิหนังสืออะไรเนะี่ย จบที่ใจค่ะข้างหลเขีนว่าไงหลายคนแสวงหาหนทางไม่มีที่สิ้นสุดแต่บางคนสิ้นสุดเพราะหยุดแสวงหามีคนถามหลวงปู่ฟัน่นอาจจะโลพ่อแม่ควรอาจารย์รออาารยที่ก็รบนบถือว่าตันหาเนี่ยแปลว่าอะไรหลวงปู่ฟั่นบอกว่าลองกลับคำที่กลับคําตันหากลับแล้วเป็นยังไง หาแล้วตันค่ะหาแล้วตันถ้าเราจะหาสติแท้แล้วก็อันนั้นเน่ยเป็นตันหาสิ้นตันหาก็สิ้นอุปทานสิ้นอุปทานก็สิ้นพบสิ้นชาติสิ้นชลามารณะสิ้นโสกปริเทวาทุกขโทนรุปายาสะสิ้นทุกโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจสิ้นพบชาติทั้งหมดต้องสิ้นหานะ